แต่ถ้าเราปฏิบัติมีสติกาถือว่าถูกต้องแล้วมีสติรอบโลกตัวก็ใช้ได้มีสติเฉพาะเรื่องก็ใช้ได้สติรอบตัวก็ต้องอยู่เฉยๆลู่บลกรอบไป อ, อันนั้นก็อาจจะตั้งอยู่ได้ไม่นานสำหรับผู้ฝึกใหม่ แต่ถ้าผู้ฝึกจนชนิชนานแล้วก็เป็นไปเองชีวิตทั้งชีวิตไม่มีอะไรไมีแต่ความรู้สึกตัวสำหรับผู้ฝึกใหม่ก็อาศัยนิมิดเกาะไปก่อนนิมิดก็คือรูปแบบของการสร้างจังหวะ14จังหวะให้มันคุ้นเคยไปกับ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 ก็ไมาใช่ตัวรู้ตัวเดียวนะ่ะอย่าให้มันไกลอยากใหมันหา่างความหลงก็เป็นความรู้ได้ความสุขความทุกข์ก็เป็นความรู้มันก็เอาความรู้สึกตัวหนะักไปไปลบทุกอย่างให้เป็นความรู้สึกตัวอย่าถือว่าเป็นเรื่องผิดอย่าถือว่าเป็นเรื่องถูกการปฏิบัติธรรม ถ้ามีตัวรู้สึกตัวเราก็ก็ถูกต้องแล้วอยู่โดยชอบแล้วอาจะเป็นสมาธิก็เป็นสมาธิหรือว่าจะเป็นมรรคก็เป็นองค์มรรคแล้วทั้งหมดคือความรู้สึกตัวไม่ใช่แปดอย่างไม่ใช่แปดอย่างถ้ามีความรู้สึกตัวก็คือว่าครบการคิด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 คมรู้สึกตัวก็ปฏิบัติสม่ำเสมอมันไม่ขึ้นไม่ลงไม่มีฟูไม่แป่ไม่มีสุขไม่ทุกข์ไม่มีบวกไม่ลบแล้วเสมอสม่ำเสมออันเดียวกันตาเห็นโลกก็ปฏิบัตดิดีปฏิบัติตงปฏิบัติออกจากทุกปฏิบัติสม่ำเสมอไม่ใช่ไปยินดีไม่ใช่ไ ป, ไไปยินร้าย โมดียินเสียงก็อันเดียวกันปฏิบัติดีปฏิบัติตงปฏิบัติตอบกับกปฏิบัติสมควรปฏิบัติตไม่เป็นอะไรกับอะไรนี่คือตัวการเจริญสติเราทำให้มันไปทางนี้อย่าให้มันไปทางสุขอย่าให้ไปทางทุกข์อย่าให้ไปทางยินดีอย่าให้ไม่ต้องไปทางยินได้ไม่ต้องไปชอบไม่ต้องไปไม่ชอบ ออกดำเนินอยู่อย่างนี้โอ้มีสติก็ดําเนินไปอย่างนี้เมื่อดําเนินไปอย่างนี้มันก็มีอะไรที่มันถ้าเป็นความโส ก, กุกมันก็สะอาดไปถ้าเป็นความหนักมันก็เบาไปมันก็เป็นไปเพื่อความดับทุกข์เป็นไปเพื่อความสงบเป็นไปเพื่อผลิปานมันไปเองแต่มีความรู้สึกตัว ถ้าไม่มีความรู้สึกตัวก็ไปเองอันแบบหนึ่งเหมือนก่อนพราเราจึงอุ่นใจผู้สอนก็ผูสอนก็สบายผู้ทาก็สบายเหมือนกับว่าพระพุทธเจ้ามั่นใจในในการสอนว่าพระารรมขเป็นแต่ เ, เพียงผู้บอกส่วนการกระทาเป็นหน้าที่ของพวกเธอนะ แสดงว่ามันสุดยอดแล้วการปฏิบัติธรรมการเจริญสติถ้าทำมันก็จะเห็นอะไรแล้วก็เห็นอะไรก็มันก็เรียนรู้ไปด้วยกับภาวะที่เห็นกับภาวะที่มันเป็นเห็นขม่วงเมาหอ น, อนแต่เมีนสติมันก็ว่าไปเองมันก็ทักท่วงไปเองเห็นความคิดมันก็ทักท่วงไปเองเห็นการมราาคะมันก็ทักท่วงไปเองเห็นพยาบาทมันก็ทักท่วงไปเอง ก็แหวกไปของมันเองถ้ามีสตินะนละปฏิบัติเราเองหน้าที่ทำไปเองไม่มีใครหรอกถ้ามีสติจะไปสยบ ก, กับสิ่งใดแต่ตัวโลกมันก็เด็ดอยู่แล้วมันตัวหลงมันก็จอบจ้อยมันปนปนปลอมปลอมมาถ้าเลยลูกแล้วกับมัน มันมีอะไรที่จะทำให้หลงเห็นเราไป <c oughs> หาเก็บเห็ดน่แต่เห็ดตันไหนที่มันกินไม่ได้ไม่มีใครไปเอามาปนหมูท่าคนที่เก็บเห็ดไรว่าไปจับปลาถ้าไม่ใช่ปลาไปเอาถอนไม้ไปเอาใบยญ้า แต่เอาแมลงมันก็ไม่เอาก็คนที่จับปลามันก็ลุจับปลาคนที่เก็บเห็ดมันก็ลุยจับเห็ดคนที่หาเงินมันก็ลุยจับเงินลุยจับธนบัตรในประเทศนั้นแล้วอันไหนที่มันไม่ใช่ธนบัตรเอากระดาษมามันก็เอาเราได้มีความรู้สึกตัวก็จะอย่าลวกปลาลวกปลาก ออย่าสุรุสุร่ายนะอย่าด่วนถ้าความรู้สึกตัวก็พาให้ไม่เป็นอะไรพอดีพอดีอดนะเห็นอะไรก็พอดีพอดีถ้ารู้สึกตัวนะแต่ถ้าหลงมาแก่โลภหลาอะไรก็จะยึดเอาถือเอาถ้าหลงนะโกรธก็เอารักก็เอาชังก็เอาสุขก็เอาทุกข์ก็เอาอคนหลงดอกเะไรเป็นอยถ้าความรู้สึกตัวอะไไม่เป็นอย่างนั้น เราจัดจัด ก, การเราจัดจัสดสรรเราจัดแบ่งปันเราจักเยี่ยวยารู้จัดทำให้ถูกให้ชอบอยู่เสมอความถูกความชอบน้าไปสาหรับจ้าตัวเป็นพลังเป็นแนวลว่วมหลายอย่างที่เป็นพลังเสริม ไม่ศรัทธาบ้างม่ความเพียรบ้างไมการสํารวมบ้างไม่การปรีวิเวกบ้างไม่คุกคีไม่หมกมุ่นไม่หลงไหละถ้ารูส้สตัวเนะไปได้เยอะถ้าไมรูม้สึกตัวเหมือนกับน้ำไหยใหญ่ไหลมาวัดป่าสุกโตพาเอาขยะแถวลงพัวไปหมด อัวน้อมหมดแห้งไปก็สะอาดแต่หมดเลยความรู้สึกตัวก็เปน็นยางไงไม่รู้เลยว่าอะไรที่มันไปพอมันในรู้หรอกโอ้ตัวหลงคนละเรื่องกันเลยแลย้วยแต่มันในรู้ลูกลตัวสุขตัวทุกข์คนละเรื่องกันเลยแต่คนละเรื่องกันเลยคนละโลกคนละภพคนละภูมิกันแล้วมันก็ม้วนน้ําลายออก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 ของที่มันหลุดออกไปแล้วสแสดงว่ามันไม่ใช่มันไม่ดีของที่มันกิ่งมันต้องอยู่ของริ่งมันต้องอยู่ของลุ้สักตัวอยู่ตลอดความหลงอยู่ไม่ตลอดความทุกข์ก็อยู่ไม่ตลอดเพราะไม่จริ่งนะกิเลสตัณหาปยาบาทไม่ไม่จริงหรอกแต่ของที่กิ่งมันต้องอยู่ตลอด โลภะโทสะโ ม, มหะอะโลภะอโทสะโ ม, มหะนี่อธรรมย่อมชนะอนธรรมเส ม, มอไปความโลภก็ย่อมชนะความหลงเส ม, มอไปความไม่ทุกข์ก็ย่อมชนะความทุกข์เส ม, มอไปเป็นอย่างนั้นตัวปฏิบัติธรรมจริงๆพระเจ้าจึงเพียงแต่บอกเท่านโน่นโคนม้นอยโน่นเลือนบ้างโน่ น, นปลาอ่า เราบอกเราก็พากันไปพิชูตทั้งหลายเข้าไ ป, ไปแล้ว่าก็ไปเจริญสติไปดูแลตัวเองไปรู้สึกตัวเราไปรอดแม้พระธรร ม, มวินัยเนี่ยผู้ดใดแม่บวชใหม่ถ้ารู้สึกตัวมีสติก็ไปได้คนเดียวไม่ใช่เป็นนิใสใยบนตะกะ แต่ผู้ใดปวดมาแล้วไม่มีสติก็ต้องมีเพื่อนยังเป็นนนสัยมุตตะต้องห้าปีก่อนต้องไปกับเพื่อนกับวิ่งถ้ามีสติต่อไปไปคนเดียวปานนั่นนะวินัยก็ยังวิ่งดนนั้นเป็นได้เพราะนั้นเราจะมาสร้างตัวนีน้ให้เป็นบุกเบิก่นะเป็นการบุกเบิก อย่าเพิ่งเทีงหลักถ้ายังไม่เก่งอต้องถ้เก่งแล้วก็ยังที่ยงไม่ได้หรอกไม่แต่การคํานวณอะไรต่างๆต้องมีหลักต้องมีสูตรหนังคณิตศาสตร์อย่างเงวิทยาศาสตร์อย่างเหมือนเขาทำหน้าเราต้องเอาหน้าไม่เครื่องมือมาตรวจ ผ่านหรือไม่ผ่านมันก็มีหลักความถูกต้องชีวิตของเราก็เหมือนกันมันต้องมีหลักนะหลักสูตรสูตรของมันจริงๆที่จะต้องลือ้อถอนควมีสติดูกายนี่แหละเห็นกายเห็นเป็นรูปนั่นแหละเหมือนกับเขามีเครื่องมือตัวหน้ามพอไปเอาเครื่องมือไปใส่กับหน้ามก็เห็นเป็นหน้ํา เห็นไม่ใช่น้ำเป็นสิ่งที่ไม่ใช่น้เาเอาออกไปกลิ่นก็ออกไปให้มันเป็นกลิ่นของน้ําให้เป็นรสของน้าทําไมเช่นนั้นมันใช่ไม่ได้เครื่องมือเขาก็กจัดออกไปก็ผ่านถ้าเอาสิ่งที่ไม่ใช่กลิ่นของน้ำเอาเออกไปกลิ่นที่ไม่ใช่รสของน้ํอาออกไปก็เป็นน้ําชีวิตของอ ok. เราก็ต้องเป็นชีวิตความโกรธ mm. ไม่ใช่ชีวิตความทุกข์ไม่ใช่ชีวิตความหลงไม่ใช่ชีวิต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 มันเป็นโลกเป็นนามถ้าไม่ใช่โลกแค่นามมันจะมีประโยชน์อะไรคือคนตายคือทอนไม้ทอนปืนเราจะต้องให้มันไปถึงนั่นแล้วมันจะมีประโยชน์อะไรชีวิตเราไม่ใช่ชีวิตแต่มีลมหายใจไม่ใช่อะไรมันเป็นกรรมด้วยซ้ำไปอ่านหายใจเข้าหายใจออ ก, ก, ก, ก, ก, กรักรักชังชังกดกดสุขสุทุกข์ทุกข์ดเป็นกรรมเป็นกรรม นรับกองช่างไม่ทุกไม่ทุกไม่ผิดไม่ถูกไม่ได้ไม่เสียมันเป็นกรรมไม่ใช่พ้นกรรมถ้าชีวิตแบบนี้มีกรรมเป็นเวรเป็นกรรมเป็นวิบากถ้ายังสุขอย่างทุกข์อย่างโลภอย่างโกรธยังหลงอย่างรักอย่างชังอย่างยินดีอย่างกินไรอย่างชอบยังไม่ชอบวิบากกรรมถ้ามันพ้นกรรมมันต้องไม่เป็นอะไรต้องเห็นเป็นรูปธรรมเห็นเป็นนามธรรม มันเป็นอย่างนั้นมันเป็นรูปกิ่งกิงมันเป็นน้ำกิ่งกิ่งรูปมันก็บอกว่ารูปนี้มันไม่เที่ยงไม่ใช่ตัวตนน้านี่ถ้าเราไม่ฝึกก็ยิ่งไปกันอย่างถ้าฝึกแล้วมันใช้ได้กับรูปน้าอันรูปเนี่ยต้องเกี่ยวข้องหลายอย่างน้ำไม่มีอะไรเลยถ้าฝึกแล้วจบก็จบกันไปเลยไม่เป็นอะไรกับอะไรไปเลย ถ้าไม่ฝึกหรืเป็นมากๆใหญ่กวก่าลูกใหญ่กวก่าลูกคุ้มครองไปคุมอะไรทั้งหมดเอาผิดเอาโทกับเรื่องอะไรทั้งหมดเลยเห็นแสงแดดก็อ๋อทะเลาะกับแสงแดดเห็นละององฝนกอดชนะกับละอองฝนไม่มีอะไรที่จะไม่เป็นพละถ้าไม่พัฒนานามใ่สุกสน ถาพัฒนาได้แล้วคงเส้นคงวาเพิ่งพาอาศัยเป็นอันเดียวอยู่จบลงแล้วไม่มีพระยาอีกแล้วไม่มีอะไรที่จะเกี่ยวข้องกับนามอีกแล้วเราเห็นลูกมันมีอาการต่อไปนามไม่มีอาการเลยความโกรธเป็นอาการความทุกข์เป็นอาการความรักความชังเป็นอาการของนาม ถ้าปฏิบัติไปเปสติสิ่งเหล่านี้จะหายไปเหืืออยู่แต่ความบริสุทธน์ต่ความหลุดพ้นวิมุตนามในเป็นวิมุตยิ่งใหญ่กว่าทุกอย่างแต่รูปไม่มีวิมุตมวิมุตมันมีแต่เรื่องของนามเป็นความหิวไม่มีใครพ้นหิวไปได้ ความร้อนไม่มีใครพ้นความร้อนก็ได้ความหนาวไม่มีใครพ้นความหนาวก็ได้ความเจ็บความปวดไม่มีใครพ้นความเจ็บความไปวดก็ได้ไม่ได้กําหนดรูปกันหมดรูปหรือการบันเทากําหนดรู้ด้วยการรู้กําหนดรู้ด้วยการอะไรไป <c oughs> เรื่องของรูไม่มีหมดในรูปแต่มุตต้องอยู่ในานามแต่มันก็พ้นพ้นในสิ่งที่มันไม่ใช่รูป มันเหลือแต่ลูกพิเลตตังหามันไม่ใช่ของโลกการเสดติดต่างๆไม่ใช่ของโลกเป็นเรื่องนานแต่เรื่องของลูกเป็นเฉพาะมันเหลือเฉพาะเหลือน้อยๆเหลืออาการเหลือแต่เวทนาลุ่น้วนไม่มีอุปาทานถ้าเป็นเวทนาเหลือแต่สัมผัสล่ล้วนไม่มีสมมติปัญญา ไ ม, ม่ไม่มสมมุติปัญญาต่อไม่แต่เห็นจากว่าเห็นธรรมดาแต่เราลูกถ้าเราศึกษามันจะไปอย่างไรเขาก็ชีวิตก็ง่ายงะทแบนี้แปดหมื่นสี่พันเรื่องเยอะน้อยน้อยกว่าเดิ่แต่กิรลอย่างทั้งรูปทั้งนามแต่รูปก็เป็นกิเลา กินก็เป็นกิริยานอนก็เป็นกิริยาขับถ่ายเป็นกิริยาอันอื่นไม่มีอะไรไม่มีกรรมกินไม่ใช่เป็นกรรมแต่ก่อนกินเป็นกรรมนะมันชอบวันนั้นต้องไม่ชอบวันนั้นบางทีทะเลาะ ก, กันด้วยการกินบางทีก็เอาเคงเอาจังเอาเคียงเอาจังเอาปิดเอาถูกเช่น พ, พวกเราจะเป็นนักปวดแถววัดอย่างนี่ย ตั้งแต่วันบวชก็บอกอนุสาตรกันต่อไปนี่นะเราอาศัยลำแข้งแล้วนะอาศัยเวรนรบาสนะไปหาซื้ออยู่ซื้อกินชอบอันไหนไปหากินไม่ได้นะอยา ก, กินร้อนได้เย็นอย่า ก, กินอจืดได้เผ็ดอยา่าอย่าไปข้องเรื่องนี้แล้วอะไรที่ตกบาตมาก็ เลือกไม่ได้แล้วเขาเนี่นะอาศัยล้านแข้งนะอไม่เหมือนกะลาวาัดนะกะลาวัดเนี่ยเขาวัวนี้จะกินอะไรวันนี้วันนี้เราจะกินอะไรวันนี้เราจะมีอะไรกินเขาคิดยังไงพวกเราไม่ได้คิดเลยนักปวดเขาจะกินอะไรเราก็ไปซื้อเอวันนี้เราจะมีอะไรกินมันแสดงว่าไม่มี เราต้องไปหาแต่เราที่เป็นเรากวดเนี่ย <c oughs> ไม่ได้กิดแล้วอะไรที่มันมาก็ก็พออยู่ได้กี่วอนก็มีเท่านี้สามผืนเท่านี้รักษาให้ดีนะยาให้ขาดก็ลุ่งก็เลี่ยงยาให้ ส ก, กนะอย่าให้เหม็นขาวเหม็นสาบนะเี่เท่านี้นะของเรามนี่เท่านี้นะเนี่ยมันก็ก็เรียบลงไปแล้วง่ายลงไปแล้วที่อยู่อาศัยเพื่อบำเพื่อบำบับบดเพื่อยองเรียนลมแดดเพื่อฝลฝ่าอากาศเท่านั้นไม่ใช่โอ้สวยดีหรูดี โกดี้ไปใช่หรอให้ป้องกันดินฟ้าและป้องกันลมแดดฝนสัตว์เลือยคลานขยารักษาโรคอระน้มเยี่ยวออกตรงตรงเกินน้ำเยี่ยววะก็เขาฮะนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละยาพุทธจา สัญญาตองก็คือโมดนอะ <c oughs> อดองก็สมอบ้างขำป้องบ้างถ้าไม่ต้องดองเอาเลยตื่นขึ้นมาก็หาแก้วชักแก้วและนะ้วเนาะเอาออกไปสักหน่อยแล้วก็เอาตอนกลางๆมันอ่าได้เจ้าแก้วหนึ่งเย็นแก้วหนึ่งรักษาสารพัดโรคเรียกว่ายาพระพุทธเจ้า เขาขอไปอยู่สหรัฐอเมริกาเลยโอ้ยเกลื่อนเลยก็กินกันเท่านั้นดื่มน้ำปัสสวะกันเท่านั้นะนะแม่ยาไม่ใช่ว่ายา อ, อันโน้นยาอันนี้ไม่มีหรอกยาแจ้ง่วงยานอนหลับอะไรไม่มีหรอกอาหารก็ก็ธรรมชาติแล้วเพราว่าใน ไปไประชุมเราเสนอเรื่องหนึ่งประวงานวัดเราจะทอดเทียนมีพิธีสืบสารวัฒนธรรมประเพณีแต่เลยถามว่าประเพณีมันคืออะไรไม่ค่อยเห็นประเพณีเท่าไหร่เวลาไปงานอทอดเทียนงานประเพณีไม่ค่อยเห็นประเพณีประเพณีอของเราคนโบราณ น, นี่ถ้ามีงานมัดเนี่ยมีงานเกี่ยวกับ พิธีกรรมต่างๆนะแกงบอนบ้แม่นบอกแกงบอนแม่นบอกสมัยสอนน้องแกงพักินเล็กแกงน้อมใหม่ต่าบกนึงแม่นบอกทอดเทียนบุญ <c oughs> เก็บดูกบุญกระถินแกงบอนแกงพักินเล็กแกงน้อมใหม่ต่าบกนึง วัา น, นี่อะไรค่าวัวค่าควายเป็นตัวตัวอันหรือสืบสารประเพทนี้อ่าก็เลยพูดกับเจ้าคณะอำเภอในนี้ เ, เจ้ากนะอำเภอกับอสภาวัฒนธรรมแห่งชาติเราจะสืบสารวัฒนธรรมประเพนเี้ทอดเทียนเป็นฉุมชนไป <c oughs> ก็เลยขอ ขอให้มันเป็นสืบสานวัฒนธรรมไปเปในการอยู่การกินไม่ใช่ว่ามีไปบ้านไหนกินเหล้ากินยาซอยห่างๆแม่นว่ะกินอ่าอ่ว้ข้าวกล้วยทอเขาของทาสนแดงนกึ่งๆลาเลือดลาก้อยโอ้ยเราขอไปเห็นแถวอำเภอแวงใหญ่แวงน้อยอัโทุ่มเหตุผปในตัว แล้วไม่แต่พอปลูกหลับปลุใหญ่เ้่านั้นเอาสันของพอไปจำนามก็ น, น้องเส็จแล้วแต่ว่าไม่ใช่สื่อสารปรททัทธรรมประเภทไหก็เพราะนั้นต้องธรรมชาติการอยู่การกินและให้มีปัญหาเรื่องอยู่เรื่องกินให้ง่ายง่ายง่ายเร า, า, า, า จ, จะไม่ถูกสมมัติไปอาหารห้ามหรือ อาจจะเป็นถูกสำหรับคนที่ขี้ขาดอาหารห้ามุ่งสำหรับพวกเราไม่จำเป็นไม่จาเป็นถ้ากินแบบผักถ้ากินแบบคนมีกินเลกมีความโลภอะไรมันก็ไม่ไม่ไ ม, ไม่ไม่ถูกเศรษฐียังเป็นลูกขาดอาหารเลยอาหารดีๆจะลงไปไม่ย่อยเลย ท่องผูกเลยแต่เราเคี้ยน้ําเพล็กนี่ยโอ้ยสบายท้องก็ไม่ผูกเลยกินลงไปอิม่มสบายได้ไม่อิ่มก็กินน้ําลงไปเพิ่มลงไปให้มันอิม่มในการกินบินธบามะเลือกไม่ได้แล้วพวกเราอุนนี่เป็นตัวปฏิบัติทั้งหมดถ้ามีสติม่กเกิดถูกมักเกิชอบไปทั้งหมดเลยการกินการถ่ายการหลับการนอน นะได้สัดได้ส่วนได้เวลาไม่มีอะไรบกพร่องเลยถ้ามีสตินะถ้าขาดสติโอ้บกพร่องไปหลายเรื่องกายก็บกพร่องใจก็บกพร่องผิดพลาดไม่มีไม่มีผู้ดูแลไม่มีผู้ตรวจสอบไม่มีผู้ดูแลเหมือนกับ นายช่างที่ไม่ควบคุมการก่อสร้างปล่อยให้ผู้รับเหมาไม่มีโฟ์แมนแล้วก็เขาก็ละลูกละลาบแหละเสียหายอย่าง ก, กติหลังหนึ่งที่คนต่มกำลังซ่อมอยู่เขาก็ละลูกละลาบหลังคาลวกเขาขไ่ผูกเหล็ก มันก็แตกมันก็ล่าคนต้มก็ลองซ่อนเลยไม่ใช่ได้ชีวิตเราพ้องกันกันแต่เริ่มต้นในความรู้สึกตัวนะมันจังตั้งแต่เริ่มต้นท่ามกลางในที่สุดไปได้สวยงามนะที่สุดก็คือวิมุตท่ามกลางก็คือมรคหรือมรคคือผล ต้นก็สติสมชัญญะเดินก้าวสู่องค์มรดหมายปลายทางคือความมีมุตหลุดพ้นเอาไว้คนละโลกเลยเลยหรอวะความโลภความโกรธความห ล, ลงกิเลสตัณหาคนละโลกกับเราเลยจะมาอยู่นี่ทําไมเขาไปกันแล้วทุกวันเมื่อหลงเมอทุกข์พอสุขจะทําไมอะ แต่ว่าเกลียดกลัวอยู่สิ่งกับกับสิ่งสกปรกได้ได้ยังไงพวกเราชีวิตเราจะมีค่าตรงไหนเขาพัฒนาแล้ววางคนก็ยังสูกปรกโอ๊ยอะไรขดอะไรไม่ได้ดูแลกันไม่ได้ช่วยกันไม่เมตตากันเลยเมื่อวนันสองวันเนี่ยมพ่อไปนั่งอยู่ใต้ขอบสะวัดโพธิขอทองบ้านท่ามาปายหวาน ไปปิวิเวกนั่งเล่นทอดกายทอดใจเฉยๆเห็นนกกิบนกกิบตัว เ, เล็กๆเท่าหัวแม่มือแม่เนะ่ยเนไปจับมแมลงมาป้อนลกูกอ๋อนกตัวน้อยๆไม่มีมีดมีฝานไม่มีเครื่องทุนแรงม <c oughs> ันกับคนหรอ อาศัยความขยันเลี้ยงลกูกลูกตัวเชี้ยนั่งงอยแม่ก็ บ, บินไปจับเสือมาป้อนลกูกมองไปข้างล่างเห็นไก่แม่ลูกอ่อนขี่คุ้ยเขียคุ้ยเขียรามาแรงตัวเล็กถ้าไปเจอตรงไหนจะเรียกลูกมากินเอาชางอยปากจับไปวางให้ลกูกคนเราเนี่ยอะไรไม่ช่วยกัน อะไรก็เห็นแก่ตัวแล้วก็จะเบียดเบีย น, นกันทะเลาะวิวาทกาันมันจะสู้นกกีบทัยเปล่านะไม่ออกไอเชือนะว่าไม่ีความเมตตาตัวหน้ากันะนะตัวนกกีบอะไรเี่สู่ไกไ่แมลงปออะไรอะของอไม่น่าใจนกก็เลี้ยงลูกใหญ่ไก่ก็ตัวเดียวเลี้ยงลกกูกจะเป็นสิบสิบนะ นั่นทีวิสเราเนี่ยถ้าขาดสติแล้วเนี่ยบุคร่องไรยย่ความโลภความกดความหลงมีได้กิเลสทัณหาก็มีได้ความรั ก, กลลความชังก็มีได้นะแล้วจะอยู่หรือโลกอย่างนี้มันมีโลกอันดีอันพ้นไม่มีภัยเลยก้าวออกไปเนี่ยของเราลู่สึกตัวลู่สึกตัวอย่าขี้เกียจอย่าขี้ขลาด อยู่คนเดียวก็ทําได้ไม่มีหลวงพอ่อไม่มีพระสงฆ์สักลูกอา้าในโลกนี้เราอยู่คนเดียวอยู่ไดวะอยู่คนเดียวมาแก้วอยู่ใดเลยห้องไหมโอ้ยคิดทอดลูกทอดหัค ว, ค, ว, ค, วคิดทอดหลานได้ไปโยฝุ่นดีก็หนี่ไปโยหนี่งบ่ ด, ดีคือฝุ่นอย่าให้มีเทว่าที่นี่ไม่ดีเท่ดาที่นนท์ที่นนท์ดีกว่านี่อย่าให้มีอยู่ที่ไหนไห่ที่นั่นนั่นเป็นที่ลื่นลง ชาเมวายะทิวานันเรนันเวะยะทิวัตเลยะทะอรหันตังปุ่มลำวเนยกรรพระอรหันต์อยู่ที่ใดที่รุ่มก็ตามที่ร้อนก็ตามที่ป่าก็ตามที่แก้งก็ตามที่นั่นนั่นย่อมเป็นที่น่าลื่นลงอไม่ใช่มันอยู่ที่ตัวเราผู้มีสติอยู่ที่ไหนลื่นลงนะท่าวกเราต้อง มันล่าสมัยคนล่าสมัยเกิดมาห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบปียังจำบ้าอยู่ที่เก่ายังโกรธเหิืนเดิมทุบยังสุบยังโลดยังล้เขาไปกันไกลแล้วทุกคนเป็นมนุษย์กันแล้วใจสูงแล้วไอ้ความโกรธอยู่ต่ำๆนอนแล้ก่อนเราเป็นคนเหมือนทับเราอยู่ ผมร่ายคมดีใหญ่กว้างทับถมเลยวันี้เราเป็นมนุษย์ยกขึ้นมาแล้วสูงวันเรานั่งอยู่บนศาลาหอใจเนี่ยเข็งงูเหลือมใหญ่เลื่อยอยู่โน่นมันเขาจับงูเหลือมใหญ่มาเลื่อ ย, อ ย, รอยเราโหล่าเลยสำหรับบางคนเราอ่านกันแล้วนะเรารต้องฝึกขัดไปรออะไรพวกเรา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 ความรู้จักตัวนะลบไปเลยนะทำไ้ไหนพองขวัไม่มีชาติชั้นวัณ น, นะนะในประเทศอินเดียมีวัณ น, นะกษัตริย์พรามแพทย์สูตรพอเกิดทำไ้ไหนเสมยไม่มีเลยนะไม่มีเลยคนมาอย่างไงก็มามีสติก็มีสติได้ทางนั้นอย่าอะไรไม่เหมือนท่าน ออกนไม่ได้บวดหลังข้อได้ปวดก็ไม่เหมือนหลังข้อแล้วยังกลัวขีเนี่ยกลัวไหมไม่แก้วขนะีมันก็ไม่หลอกพระมันหลอกแต่โยโมโหม็ว่าเ อ, าเองนะแับพระอะไรเป็นพระหัวล่นห่มเหลืองหรือก็ไม่ใช่อีกแล้วความเป็นพระคือจิตใจที่มีสติบริสุทธิ์บริบูรณ์นอน เราก็มีสิทธิ์ได้ความเป็นพระเนี่ยไม่ใช่เพศจะไปเอาเพศตายข่มกันเราเป็นผู้หญิงเราท่านเป็นผู้ชายเกิดเป็นผู้หญิงเนี่ยโอ้ยไม่ไดีไม่ใช่ต้องมีสติเออันนี้แหละแน่นอนหัดเอาให้ได้สร้างตัวนี้ให้ได้นะอะอตอนนี้ก็ตอนี้ก็พอแล้ละก็สายแล้ว อาะฟ้อง <ork> กันอะรหังสมสมุทโธภะควาโธตัควันตังอะเวาทิตวะคาโตภควตาตมุธรรมะมะตัง โยติปนุโดยซาวาตังโกสังขัมนะ